ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปปุตติยานกำลังนําเสนอเรื่องอริมักใมองแปประการมาถึงสมมากมันตะคือการงานชอบเอ่อถ้าจะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจริงๆก็คือการประพฤติตนในทางที่ชอบหรือการปฏิบัติตนในทางที่ชอบหรือการดําเนินชีวิตในทางที่ชอบ แต่พอดีผูบาอาจารย์รุ่งก่อนท่านแปลมาอย่างนั้นเราก็แปลไปตามนั้นแต่ผมก็บอกว่าเป็นแกนหลักในระดับศีลธรรมจริยาของสังคมทุกๆุทุ ก, ท ก, ทกสมัยทุกส่วนของโลกพอเราพูดออกไปแล้วก็จะง่ายต่อการรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่จายากต่อการที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามคันลองแห่งอรมิมักเบแปกประการ ตัวสมารมังตะที่จริงก็คือศีลสามข้อแรกแล้วก็เป็นศีลที่ทรงแสดงรละดับการเมสุมิชาจาร์ทาฟังคงลุกออกนะว่าศีลสามข้อแรกเนี่ยการปรแสดงแก่นักบวชหรือแสดงแก่อุบาสกที่เข้าสมาทานศีลแปดข้อที่สามจะเป็นอพระมจริยาเวรมณีสิขาบททังสมาทิยามิแต่ว่า ในมั่งเปนแปดจะไม่แสดงยาวอย่างนั้นจะแสดงแค่คำว่าอะระมจริยาเวรมณีก็เลยเพราะว่ามันเป็นธรรมะแต่ว่าตอนที่เราสมาทานนั้นเรากล่าวคำรัทนาศีลที่ต้องการสมาทานศีลแปดพร้อมโดยสนาคม โดยเลาท่านให้ท่านก็ให้ในรูปของการปฏิญาณเพื่อสมท า, านศีปนลประกิรแรกคือปานาติปาตาเวรม น, นีแปลว่าเจตนาในการทำลายชีวิตสัตว์ให้ตายตามปกติก็จะแปลว่าตกล่วงไปฟังยากนะฮะจะหมายความว่าเจตนาในการฆ่าสัตว์ให้ตายจะเการจะตัดสินนิจใยว่ามันผิด ในศีลข้อนี้หรือไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่องค์ประกอบของความเป็นศีลเพราะว่าในแง่ของความจริงแล้วชีวิตเราเดินไปไหนมาไหนทําอะไรหายใจแม้แต่เราหายใจเนี่ยก็อาจจะมีสัสตว์มีเชื้อโรคต่างๆเข้าไปมันก็เป็นสัตว์เหมือนกันเรวเดวินบนถนนตรงทางตา่างๆแม้แต่พระองค์ก็เถือเราก็เดินบินธ บ, บาสเดิอนอยู่ในวัดเนี่ยอาจจะเหยียดสัตว์ตายเราไม่รู้หรอก แล้วที่เจ้าจงส่งประธานหลักในระดับนี้เอาไว้คื อ, อย่าลืมระดับนี้คือเป็นกรรมนะฮะเป็นกรรมคือเจตนาที่บุคคลทําพูดคิดออกไปทางกายทางวาจาและแม้แต่คิดในใจเนี่ก็ถือว่าเป็นกรรมซึ่งแสดงว่าเจตนาทห่ไปเกิดกับมังวดามิเราดูก่อนวิสุทธั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมซึ่งก็หมายความว่าต้องจงใจทีนี้การจะรักษีตัวจง ใ, ใจนี่คืออะไร คือหน่งสัตว์นั้นต้องมีชีวิตสองเราต้องรู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสามเราตั้งจิตคิดจะฆ่าเขาเรียกวัตกะเจตนาคือเจตนาเพื่อจะฆ่าแล้วก็ใช้ความพยายามใน่า ง, งหนึ่งอาจจะฆ่าเองอาจจะยิงอาจจะฟังป่าอาจจะฟันอาจจะตีอาจจะถุบอาจจะฟาดอะไรก็ไม่รู้อ ล, ล้วแต่แสารพัดวิธีที่ใช้ลงไปแล้วก็ สัตว์นตายด้วยความพยายามนั่นือแต่ครบ5้าประการแล้วก็ถือว่าเป็นการขัดศีลกรนี้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่ครบ5้าประการก็ถือว่าศีลทะลุศีลด่างศีพลพร้อยไม่เป็นไทยแก่ตนเองนะเกิดตัญหามานะทิฐิขึ้นมาวินยูชนท่านดำนิติเตียน จิตใจไม่สงบไม่น้อมน้อมก็หาสมาธิเป็นต้นเขานี่เป็นสังเกตตัวอย่างมีระหารรูปหนึ่งชื่อประจักษุปาละเทระตอนบรรลุมะขนเป็นพระาหาันแล้วก็จริงแต่ว่าก่อนท่นานใช้ความเพียรพระบรรลุมคลเป็นพระหันเนี่ยจนตาท่านบอดไปแต่ว่าก็ยัง ปฏิบัติธรรมะเพื่อเป็นเนติแบบอย่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังคือว่าหานี่จริงๆท่านเสร็จกลิ่แล้วนะฮะจะเดินจงกรมจะนั่งสามาธิจะเข้าฌานจะอะไรในกิเลสไม่มีรถก็ไม่มีดดมกิเลสให้รถธรรมะก็ไม่มีเพิ่พมองสมบูรณอยู่แล้วแต่ว่าเป็นการทําตัวให้เป็นแบบจางแก่อนุชนรุ่นหลังวันนี้ขึ้นวันหนึ่งเนี่ยผลตกในตอนบุกค่ํา กันก็เดินจกงกลมไม่ได้ดก็ใกล้รุ่งกันก็เดินจงกลมก็ปรากฏ ว, ว่าไปเหยียบองมาแหลงเม้าวนี่ตายไปเยอะเลยตอนเช้ามีทิกสุที่มาจากต่างเมืองก็เดินชมบริเวณวัดเนี่ยนะฮแล้วไปถึงที่อยู่ของพระจักกุปปาและเทระซึ่งอยู่ด้านนอกหรือกล้กำแพงวัด เคยเห็นแมลงมาตายเป็นอันมากก็สอบถามว่าทำไมแมลงมาตายเป็นอันมากก็มีเมนเขาก็บอกว่าหลวงพ่อตั้นเดินจงกรมกลางคื น, นไปฟอ้องพระพุทธเจ้านะฮะไปตําหนิใหญ่ฟอ้องพระพุทธเจ้าตอนก็ไปรู้ว่าพระอาหารหันต์แล้วก็หาเรื่องคอยจะผิดคนอื่นแล้วแสดงสําคัญอย่างยิ่งก็คือแสดงว่าไม่เคยศึกษาเรียนรู้พระวินัยมา กราบถวิลว่าพรจักกุบาล ท, ทําทีเป็นเดินจงกงรมไปเหยียบเอ า, มาแมลงเม้าตายเป็นนั้นมากพระเจ้ารับสั่งถามว่าเคยเห็นหรอยังท่านก็ตอบว่าไม่เห็นไม่ได้เห็นแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเขาเหยียบจักกุบาลเขาก็ไม่เห็นเธอไม่เห็นว่าเขาเหยียบจักกุบาลไม่เห็นว่ามีมาแมลงเม้า เจตนาในการฆ่าสัตว์เนี่ยสมัยประหารแล้วไม่มีหรอกท่านท่านเหล่านั้นจึงเพิ่งรู้ว่าพระจ้า ก, กุบาลเป็นประหารนันก็แสดงว่สัตว์นั้นมีชีวิตสองท่านไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิตสมท่านไม่ตั้งจิตคิดจะฆ่าสี่ท่านไม่ท่านมีความพยายามที่จะฆ่าห้าสัตว์นั้นไม่ตายด้วยความสัตว์นั้นตายแต่ว่าท่านไม่พยายามที่จะฆ่ามันเพราีมนเสื่อมจิตวิาณ องประกอบของการขาดสีเนี่ยมันไม่มีแต่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมข้อเนี้ยเวลาส่งแสดงเวลามาส่อธิบายไว้โดยโด ย, โดยปริยายอีกหมายความมันจะต้องการเน้นให้คนได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงใจคือในช่วงแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรารักษาสีแต่เมื่อเราปฏิบัติ จนติดเป็นนิสัยเป็นลักษณะนิสัยการเคลื่อนไหวทั้งอย่างทุกอย่างมันเป็นอาการบองศีลไปเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีศีลรักษาคือศีลรักษาเราเป็นที่เราจะรักษาศีลแต่การเคลื่อนไหวมันเป็นศีลไปโดยอัโตโนมัติอย่างถ้าเราบวชนานๆเนี่ยมันไม่ก็ต้องตั้งใจทั้งหมดอะไรตัวเคลื่อนไหวจะเป็นธรรมะเป็นศีลไปเองฮตอนนั้นการปฏิบัติมันจึงเดินไป และการแรกก็คืองดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตตายและการงดเวด้นเหล่านี้จะต้องออกมาในแนวลึกนะคือมายความมันดึงต้องไม่ฆ่าเองสองต้องไม่ใช้คนอื่นฆ่าสามต้องไม่ยกย่องสนรเสริญคนที่ฆ่าหรือสนับสนุนคนที่ฆ่าสัตว์แล้วก็สี่เนี่ย จะไม่พอใจยินดีในสิ่งที่ได้มาโดยการฆ่ า, าเพราะนั้จะไปดูที่ไในจะเห็นว่าสีนี้มันเป็นนี่เพ็มก็เราตามปกติก็บินทะบาดตามปกตินะฮะอยากโยมตักบาตอะไรมาก็ฉันกันไปตามมีตามได้แต่ว่าในบางกรณีเนี่ยอยากโยมก็จงใจฆ่าสัตว์ให้เราฉันไหย ็นเว่าเราไปพักที่บ้านนอกสะแข่งหนึมันไกลตลาดโยมกจ็จับไก่แกงให้ถวายเลยเราได้เห็นว่าเขาฆ่าไก่เพื่อถวายเราหรือได้ยินเสียงไก่ร้องเมื่อถูกเจ้าของก็จับเพื่อฆ่าหรือเกิดแหนงใจลังเกียจสงสัยว่าเอ๊ะก็ไปหาไก่มาจากไหนทำไมจึงออกมาถวายได้ในเช้ามืดอย่างนี้ เราก็ไม่ฉันนั้นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าฉันเนี่ยหมายความว่าใจเรายินดีในการฆ่าส่งเสริมสนับสนุนการฆ่าอย่างเวลาเนี้ยมีงานวัดในด้านต่างๆญาติยยโยมบางทีก็ไปทอดไขเ่เอ็นพละกันเจ้าวัหน้าเนี่ยนะแต่ว่าคือทราบว่าเป็นไข่ลมคือไข่ที่พักไม่ออก แต่ว่าพระรู้ว่าไข่นั่งฟักออกเนี่ยพระจะไม่ฉัน่ถ้ารู้ว่าฟักไม่ได้นะฮะคือไข่ชนิดที่เขาไม่ใช้ฟักกันนะแต่ว่าเราดูแล้วก็ยังไงไม่รู้นะมันก็แหงใจแหนงใจคือไม่กล้าทำมาฮะไม่ไม่ก็รู้สึกรังเกียจใจมันตามปกติพระสุพระโหนึ่งถ้าพอรู้สึกรังเกียจต่ท่านก็ไม่ฉันฮะไม่ฉันไม่แสดงอะไรไม่พูดจอะไรแต่ก็ไม่ฉันไป วลาลังโอกาสดีดก็คุยกับโยมให้เข้าใจเพราะฉะการบิบัตินน ท, ที่มันลึกลงไปได้ขนาดเนี้ยเราลองสังเกตนะไม่ฆ่าเองไม่ใช้บุคคลอื่นฆ่าไม่ยกยออ่องสันสริมผู้ฆ่าซึ่งว่าที่จริงตรงนี้เราไม่ถึงกัเป็นปานาธิบาตหรอกแต่ว่าใจมันสนับสนุนปานาธิบาตใจมันขุน่นนะใจมันมีโลภมันมีโมหะอยู่แล้วเปนมีเมตตาในสัตว์ทั้งหลาย ถึงในตาเนี่ยเราจะพบว่าเป็นธรรมะไปแล้วนะฮะคือไม่ใช่ศีลแล้วจิตมันพัฒนามันสงบเย็นแล้วก็ก้าวไปสู่กระแสะของธรรมะดังนั้นในศีลข้อสมากะมันตากือการงานชอบหรือว่าประพฤติชอบเนี่ยได้แก่การงดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนและการบุธสลายในสมัยปัจจุบันเนี่ย ก็จะเห็นว่ามันมีการเอาสัตว์มากระขังห่วงเหนียวทรมานทรกรรมาด้ประการต่างๆนะคือบางครั้งบางคราวเนี่ยพระเราก็ไม่ดูนะเช่นไปจับสัตว์มาขังไวแต่ในกรณีที่สัตว์มันบาดเจ็บมันยังเด็กมันยังเล็กนะฮะเราเอามาเลี้ยงดูรักษา แล้วเสร็จแล้วก็นําไปปล่อยในป่านั่นก็เป็นเรื่องของเมตตาอนออุเคราะห์กสัตว์เพระบางทีแม่มแม่เสือแม่สัตว์อะไรก็อะไรต่างๆในป่าเนี่ยบางทีแม่มันตัวค่าตายก็สงสารลูกมันกูจะตายจะก่อนก็มาเลี้ยงแล้วก็พอโตก็นําไปปล่อยป่านั่นเป็นเรื่องในตากูนะแต่ทีนี้ไมาเลี้ยงเพื่อ ด, ดูเพื่อสนุกสนานของตัวเองเนี่ยเลี้ยงปลาเงินปลาทองเลี้ยงปงลากัดิเลี้ยงอะไรอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการทรมานสัตว์ เป็นการโลรกรรมสัตว์แต่เราต้องเป็นการประจญสัตว์เวลาจับสัตว์ก็ต้องจับด้วยความการุณาต่อเขาแล้วก็จับเอาที่หัวลงอะไรต่อะไรเนี่ยอย่างจับไก่ที่ขาแล้วไปหิ้วหัวลงในพระไปขับอย่างนั้นไม่ได้เพราะลูกมันรุกใจแรงมากที่ชาวบ้านาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพระนี่เป็นอย่างนี้คือในในขบัญญัติไปตล้วในจิตเจตนาที่เกิดขึ้น ระหว่างเรากับสัตว์เนี่ยมันจะต้องปฏิบัติพัฒนาไปจนเข้าสู่กระแสของธรรมะคือมองสัตว์เขาก็กลัวเจ็บมองเราก็กลัวเจ็บมองสัตว์กลัวตายมองเราก็กลัวตายมองเราก่อนนะนะะมองเรากลัวเจ็บมองสัตวต์ก็กลัวเจ็บมองเรากลัวตายมองสัตว์ก็กลัวตายนะแล้วก็เกิดสนิทจากข้างในเป็นการลบเว้นเป็นการสมบูรณ์เบวั ง, วงเป็นการไม่ละเมิดเอง เพราะว่าศีลที่จริงมันเป็นเจตนาดรืยความจงใจความจำวมระวังการงดเว้นการไม่รุ่งะเะิดการควบคุมอาการกายวาจาของตนเอาไว้ไม่ให้เกิดกำเลิจนถึงอยากฆ่าสัตว์อยากเปียเบียนสัตว์อยากวัตุสลายสัตว์ทีนี้ในกรณีของการพุทาพากตาวุธเนี่ยเราจะเห็นว่า ข้อที่หนึ่งเนี่ยคือคือคื อ, คอมดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะครระดับสองลึกลงไปมดเว้นจากการพบพาศสตราวุธเครื่องกระหานทั้งหลายพวกอาวุธทุตประปัจทั้งหลายนะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามมีดดาบประปใจเนี่ยที่ใช้ไปในการลบปรากัรกฝันกันถช้ไปในการต่อดสู้กันพระจับไม่ได้นะเขาถือว่าเป็นวัตถุอนามาตย์เจ้าพระพิจารณ์ปีไม่จับไม่ได้มีดก็ต้องรู้มีดอะไร นีดอะไรเอถ้าเป็นนีดธรรมดาธรรมดาเนี่ยฮะเราก็ใช้ได้มีพับมีะไรแต่ไรเนี่ยแต่นีดที่เขาใช้ไปเพื่อการฆ่ากันโดยเฉพาะการต่อสู้รบราคาฝันกันโดยเฉพาะเนี่ยถ้าคืนไม่จับต้องก็ปรับเป็นอาบัตพวกอวนพวกแคะพวกลอบพวกไซพวกอะไรแต่ออไรต่างเครื่องมือดักสัตว์ น, นะฮะใ่ายับไม่ได้ เพราะแสดงน้เห็นใงความพอใจยินดีในการฆ่าในการทำลายล้างสิ่งที่มีชีวิตให้ตายก็อสอนท้านดวงมาวังจนจิตใจในประนีขึ้นไปเรื่อยๆนะบว่าขนาดในที่สุดแม้แต่กัรขงังเงี่ยทำให้ประสบความลำบากกีดกันขัดขวางอะไรต่อะไรเนี่ยนะจนประนีขึ้นไปเรื่อย เพนยังไงศีลขอ้อข้อปฏิบาตเนี่ยศีลพวกนี้พอพอถึงเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีขึ้นมาเนี่ยนะเป็นก็เรียกเป็นนักบวชขึ้นมาศีลข้อเดือกันเนี่ยแต่มันลึกมากอย่างเช่นสมมติว่าไม่ฆ่าไม่ใช่คนอื่นฆ่าไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าเพราะถ้าเราจึงไปดูกองทัพก็รบรากกันไม่ได้ เข้าไปในกองทัพก็ไม่ได้เข้าไปดูการรบกันก็ไม่ได้เว้นว่าแต่ยากกิดพี่น้องเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไปเยี่ยมจะไปดูการรบไม่ได้นะ่ะการสนสนามไม่ได้การซ้อมรบนี่ไม่ได้เพราะเลเพื่สดงวนะ่าพอใจยินดีในความปวดร้ายความรุนแรงและกิเลสมันก็ฟูขึ้นนะฮะ ใ, ใจเราจะฟูจะแพรไปตามเลยเพราะนุบายวิธีในการฝึกฝืนะจิตใจของสัตว์โลกของพระพุมีพระพจ้าเนี่ยมันลึกซึ้งมากเลยข้อดียวในว่าไปเยอะอะไร หากถึงจุดหนึ่งถ้าเรางดเบ น, นไม่พกพาจากอาวุธเครื่องประหารไม่จับกต้องอาวุธเครื่องประหารไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาวุธเครื่องประหารทั้งหลายแล้วเวลาเดนินเวลานั่งเวลา ย, ยื น, ายนเวลาอะไรแต่อะไรก็ร ต, ตามเกี่ยวข้องกับสัตว์ทั้งหลายก็รมัดระวงังไม่กระทบไม่กระแทกไม่กระเทือนหรือไม่กระทาอะไรให้เขารู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจหรือเป็นทุกข์ใจมีความประนีตลึกซึ้งมาไปอีก แล้วตรงนี้ยพอออกมาเป็นสินค้นนาเนี่ยนะพระเราเนี่ยเราวังค้าด้วยกันนะเรองค้าด้วยกันเนี่ยสมมุติว่าองค์เล่งเล่มหนังสือองค์หนึ่งไปชวนคุยเนี่ยเบียดเบียนกันปราบประบัติหรือผููจ้ายก็คลายอุตสาหะได้ยะท่องบนที่จะนั่งสมาธิที่จะไหวพระสวดมนต์เนี่ยปราบประบาดเอาหลอกให้กลัวผีเนี่ยก็ปราบประบาดกระทุ้สร่างกายเขา หรือเงื่อนือขึ้นจะตีไม่ตีนะฮะเงื่องมือขึ้นจะตีเนี่ยคับตัดอบัตถ์แตีลงไปอบัตทิ่หนักหรือมองมีความอาฆาตมา ร, ร้ายต้องการฆ่าต้องการทํำลายล้างต้องการขาจัดให้หมดสิ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาบัตอบัตแปลว่าโทษที่เกิดเพราะการละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ทําตามข้อที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตก็เรียกว่าอาบัตตอนศีลข้อนี้ที่จริงอ่ะถ้าเรามองดูให้ดีนะฮะว่า โลกเราถ้าปฏิบัติพัฒนาไปจนถึงศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยนะฮะข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องออกมากกับข้อหนึ่งแล้วจะบรรลุไปถึงอไม่คาดสัตไม่กบขาสตรูวุธเครื่องประหารมีความระมัดระวางเว้ละเกี่ยวข้องกับคนกษัตริย์ทั้งหลายแล้วจิตบรรลุ น, น, นะจิตบรรลุไปถึงมีความเมตตาอินดูในสัตว์ทั้งหลายซึ่งเห็นว่าคําว่าเมตตาอินดูนี่มันมันไม่ใช่ศีลละมันเป็นหลักธรรมละเป็นความรู้สึก เป็นจิตสํานึกที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลเหล่านั้นรู้สึกเมตตาอินดูต่อสัตว์ต่อคนต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามก็ดูแล้วเขาก็หล่อละเจริญโดยพื้นฐานศีลธรรมวเรารักชีวิตชันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็รักชีวิตเช่นเดียวกันฉั้นนั้นหรือว่างา mm hmm. สัตว์เหล่านั้นเป็นเพื่อนร่วมโลกเป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกันกบเรา นะจนถึงรังเกียจบาปครัวบาปขยะแกล้งต่อบาปจิตใจก็ปนนี่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยแม้แต่การคิดจากฆ่าสัตว์ก็ไม่มีภายในใจของทัานเพราะงั้นถ้าถ้าถ้าเรามองาดูมากวัดจิตใจของคนเนี่ยนะสมมุติว่าเราเดินไปในที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ไปเจอทางน้ําสมมุติว่าในทางน้ํานั้นเนี่ยน้ำกำลังไหล ปลีปลาตัวใหญ่มากเลยมาติดอยู่ที่แง่งหินแห่งใดแห่งหนึ่งใน่านน้ำตรง น, นั้นมันเป็นการวัดเนี่ยฮะเพราะว่าอารมณ์มันผัวกแทกแล้วเราวัดดูว่าเราคิดยังไงก็ตรง น, นี้มันมีโลภเกิดขึ้นเยี่ยลาก็ตัวใหญ่เนื้อคงจะน่าจะอร่อ ย, ยอะไรแต่เราก็คิดมากมันมีโลภมันมีทัางอยากได้ทัางอยากกินทัางอยากอวด ไปจับปลาใหญ่ขนาดนั้นมาคนอื่นดูได้เนี่ยก็อยากโง่ไม่อยากหลายอย่างตอนนี้ว่าใจเข้มแข็งพอไหมถ้าใจเราเข้มแข็งไม่พอเนี่ยเราอาจจะไปจับสัตว์อาจจะฆ่าสัตว์ตัวนั้นแต่ก า, าสัตว์เราก็หมดศีลถ้ า, า ร, รักษาศีลก็ไม่ได้สัตว์มันถึงทางเลือส่วนนี้เป็นปัญหาในการรักษาศีลเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยการรักษาศีลถ้าไม่มีอะไรมาวุ่นวาย ใกล้ๆกันเรารักษาสี่ข้อสุลาแล้วไม่มีเล่าเงูนนะไม่มีสิ่งเศษติดอะไรอยู่เลยเนี่ยแล้วเราก็บอกว่าเรารักษาสีลมันก็ไม่แน่หรอกรักษ า, าได้จริงหรือเปล่าถ้าว่ารักษาได้จริงเนี่ยมันจะต้องออกมาในลักษณะที่เห็นปลาเขาอยู่ตรงนั้นเกิดเมตตาเห็นว่าเกิดความเมตตาอินดูในปลาที่ติดตรงนี้หินโดยนี่ถ้าเรามาติดอยู่เนี่ยเราคงแยกมันการก็ลงไปช่วย ภาพเหล่า น, นี้ปรากฏบ่อยนะฮะต่างประเทศเขาอาจจะกวรจะนาประชาชนพันธ์เก่งแบบผาลังหนขี่โอเก่งฮคือเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยพวกปลาวางปลาโลมาแม้แต่แปลสฉลามบางชนิดที่มันเกิดขึ้นที่มันติดอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยเราเห็นภาพผาลังเขาลงไปช่วยลงไปอุ้มเปลี่ยนเบนลงไปช่วยประคองสัตว์เอาไว้ไม่ให้จมน้ํานะ ก็เนื่องจากอากาศหนาวมากก็เปลี่ยนกนคนเร ล, ลงไปอยู่ไม่กี่นาทีก็ช่วยกันเออเราก็น่ารักนะจิตใจเขาน่ารักมากเลยขเขาก็มีนละักษณะนั้นแตส่วนใหญ่โลภาพมันมากไปก่อนคือไปตีเพื่อนตายเลยเอาไปกินเป็นอาหารคือถ้าสัตว์ตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราบันเทาความอยากได้เนี่ยถ้าแดงว่าใจไม่เดินไปที่แม่ตานะแต่ไปเดินไปถึงนี่อินดูเลย เ็นดูก็คือปรณาตระสารทั้งหลายเนี่ยแสดงว่ามีความเป็นมีตในด้านจิตใจทีนี้คนเราถ้าเดินมาถึงตรงนี้ได้เราจะเห็นมันทีเลยว่าสีลข้อที่สองคืออธินทธานเนี่ยรับการลดเว้นไปเองเนี่ยเป็นมดมันสีนข้อที่สามจะไม่ใช่ว่าจะระดับกลางเมยสมิธอาจารย์ใน ร, ระดับของอพรรมารยาก็ตามนะฮะก็ได้รับการเว้นไปโดยอัตโนมัติ การจะโกโหกหอกรวมใครมันก็ทําไม่ได้เพราะว่าใจมันสูงไปแล้วตอนนันถ้าเรามาดูระดับนี้เราเห็นชัดนะฮะว่าศีลนี่มันเป็นบันไดเป็นบันไดที่ไต่กันไต่เรื่อยๆไต่ไปถึงขนาดไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าศีลขาบทศีลแต่ละข้อแต่ละข้อนี่เรียกว่าศีลขาบทศีลขาบทถ้าถามว่าแปลว่าอะไรแปลว่าก้าวของการศึกษาหรือขั้นตอนของการศึกษาเรียนรู้เป็นแนวลึกแล้วกับแนวกว้าง บางทีพูดแนวกว้างนะครับบางทีพูดแนวลึกก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นจะลําดับตั้งแต่นีดลงไปโดยลําดับลึกซึ้งลงไปโดยลำดับสูงขึ้นไปโดยลําดับตึ๊ดต่ำลงไปโดยลําดับหรือว่าใกล้เข้าไปโดยลําดับก็แล้วแต่เราจะอุปมาอย่างไงเพราะว่ามันเหมือนกับเราเดินไปข้างหน้านี่เดินขึ้นที่สูงเดินลงที่ต่ำเดินไปข้างหน้านี่เดินไปข้าง ข้างที่สูงก็สูงขึ้นไปโดยลําดับเดินลงที่ต่ําก็ลาดลุกลงไปโดยลําดับเดินไปข้างหน้าก็ใกล้จุดหมายปลายทางก็ไปโดยลําดับเอเพราะฉะนั้นศีลถึงจุดหนึ่งมันก็คือธรรมะพอธรรมะแล้วไม่ต้องมีข้อแล้วนะฮะไม่ไม่ต้องมีข้อแล้วมันไปเองเลยอโนมัติาศีลแม้แต่เพียงบทตเมตตากรุณาเพียงข้อเดียวเนี่ยฮะสามารถจะคุ้มครองโลกคุ้มครองสัตว์โลก ยุติเวรภัยยุติอันตรายยุติการเบียดเบียนปะทุสายกันได้ไปโดยอัตโนมันติทุกคนทังหลายได้รุ่งในพุธิยาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาถึางต่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, ง่อ ง, งามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี